น้หายหมดไดยังยังครับลวงพอ่อโอ้เดดมันเอาขึืนอะพอมันตกลงไม้แล้วมันก็เอาคืนใช่ไหมครับเพราะว่าแสงแดดพอเวลาแดดออกแล้วมันจะเผาให้เป็นไอขึ้น อ, อ๋อครับมันเอากลับคืนครับรีไซเคิล <Re cycle. S 2> <laughs> สวัสดีคุณธรรมถ้าเราจะพูดกันถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วในการที่พระองค์แสดงทุกๆข้อทุกๆบทล้วนแล้วแต่เป็นคุณธรรมผู้ปฏิบัติตามบุคคลผู้นั้นก็จะปรากฏ คุณธรรมขึ้นกับตนก็หมายความว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี้ยสามารถพัฒนาบุคคลเพราะว่าจิตใจของคนเรานั่นเมืดมนไปด้วยอาสวะกิเลสมีความโลภมีความโกรธมีความหลงสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธได้แต่ว่า ในเมื่อเรามีคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ควรจะเลือกคัดจัดสรรให้ตัวของเราเนี่ยบังเกิดขึ้นซึ่งคุณธรรมแม่ว่าจะเป็นระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นระยะยาวก็ควรที่จะให้มีแก่ตัวของเราคุณธรรมนั้นอย่างน้อยที่สุดเรามีเมตตาก็ถือว่าเป็นคุณธรรมอันหนง การเมตตานั้นก็คือเมตตาตนและเมตตาบุคคลผู้อื่นการเมตตาตนนั้นก็คือการสร้างฐานะคือการสร้างความรู้คือการสร้างพื้นฐานหรือว่าความเป็นอยู่ให้แก่ตัวของเราให้ประสบความสาเร็จเมื่อเรายังเด็กก็จะต้องอ่านต้องเรียนต้องเขียน ต้องศึกษาทั้งการเขียนการศึกษาล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีเมตตาตนเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยจึงได้มีเมตตาตนมาตั้งแต่เล็กเพื่อที่จะสร้างคุณธรรมของเด็กนั้นให้เป็นเด็กที่ดีต่อไปเมื่อสร้างคุณธรรมการศึกษาสูงมีการปฏิบัติคุณธรรม ตามสมควรแก่การที่จะทำได้ก็ถือว่าได้เมตตาตนขึ้นไปตามลาดับเมื่อเมตตาตนแล้วจนกระทั่งสาเร็จมีฐานะมั่นคงมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็จะต้องมีเมตตาบุคคลผู้อื่นต่อเมื่อเมตตาตนสาเร็จแล้วก็เมตตาผู้อื่นเรียกว่าเฉลี่ยวความสุขของตน แบ่งปันให้แก่คนอื่นการที่จะเมตตาบุคคลผู้อื่นนั้นก็คือเป็นการอภัยเราอาจจะชอบคนบางคนเราอาจจะไม่ชอบคนบางคนแต่ในเมื่อเราจะเมตตาแล้วเราก็จะต้องเมตตาทั้งหมดเมื่อบุคคลผู้ใดตกทุกข์ได้ยากเมื่อบุคคลผู้ใดมีความละบากที่เราสามารถจะช่วยเขาได้เราก็ช่วย อย่างนี้ก็เรียกว่าเมตตาผู้อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นบุคคลผู้นั้นก็จะแสดงให้เห็นว่าเขาจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเมื่อเขามีคุณธรรมเช่นนั้นแล้วย่อมเป็นที่เคารพย่อมเป็นที่นับถือของคนอื่นเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เท่สร้างคุณธรรมอันสูงส่งได้ก็ได้แก่พระภิกษุสามเณร คนที่บวชมาแล้วในพระพุทธศาสนาเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็จะต้องเข้าใจว่าการบวชนั้นเป็นการบวชเพื่ออะไรเป็นการบวชเพื่อติทยกฐานะของทนจากบุทรชนมาแก่เป็นกัญยานชนจากกัลยานชนมาเป็นอริยชนนี่คือมุกว่ามุ่งหมายของความเป็นภิกษุสามเณร เมื่อเป็นเช่นนั้นพิกษุรสามเณรก็สามารถสร้างคุณธรรมได้อย่างมโหฬารทำไมถึงกล่าวว่ามโหฬารก็เพราะว่าพิกษุสามเณรไม่มีอาชีพไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปเกี่ยวข้องอันอื่นสร้างคุณธรรมอย่างเดียวเท่านั้นไม่สร้างคุณธรรมอย่างเดียวเท่านั้นความคุณธรรมเหล่านั้นก็จะเติบโต เติบโตขึ้นเติบโตขึ้นจากความเขาเป็นสามเณรจนกระทั่งเขาเป็นพระภิกษุจากความเขาเป็นภิกษุธรรมดาจนกระทั่งเป็นครูบาอาจารย์นั่นเรียวกว่าท่านได้สร้างคุณธรรมของท่านจนกระทั่งปรากฏเป็นเด่นชัดเพราะฉะนั้นเมื่อภิกษุสามเณรใดมีความอุตสาหะวิริยะพะยายามที่จะสร้างคุณธรรมให้มากขึ้นแล้ว ก็เป็นที่น่าเคารพเป็นที่น่านับถือนอกเหนือจากนั้นตัวของท่านเองก็จะได้สำเร็จมรรคผลธรรมวิเศษตามฐานานรูปเพราะฉะนั้นการที่เราจะสร้างคุณธรรมนีจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติถ้ามวลมนุษยชาติหวนน่ลึกถึงการสร้างคุณธรรมให้แก่ตนเองแล้ว ความสุขก็เกิดขึ้นแก่เขาและความสุขก็เกิดขึ้นแก่ครอบครัวของเขาและความสุขก็เกิดขึ้นแกหมู่ชนของเขาสวัสดีสาธุ